อย่าครองชีวิตอยู่ด้วยการเวลาแต่จงครองชีวิตอยู่ด้วยการประพฤตดดิปฏิบัติชอบสายทานศรัทธาธรรม ค่ะคุณหมอคะเรื่ว่าตอนนี้นะคะใครๆก็พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ใครๆก็บอกว่ารักในหลวงนะคะครับก็อยากจะเปิดประเด็นคุยกันกับคุณหมอถึงเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งเราจะรักในหลวงยังไงดีคะใครๆก็บอกว่ารักในหลวงแต่ว่าบ้านของเราเมืองไทยของเราก็ยังมีอะไรที่ไม่น่าเชื่อว่าคนที่รักในหลวงจะทําอย่างนั้นได้นะคะครับ ก็คงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ถือว่าเป็นวาราที่เรียกว่าเป็นมงคลถ้าเราใช้ภาษาที่ประชาชนคนไทยกำลังมีความสุขกันอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาเป็นมงคลคะนะครับ เ, ออเรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรองราดนานที่สุดในโลกนะมีน่าเชื่อเลยนะคะยาวนานถึงหกสิบปีเนี่ยโอ้โห นี้วก็ในการเดียกันเนี่ยไม่ใช่ว่าครองราดอยู่ขึ้นชื่อว่านาำเฉยเฉยค่ะทําทประโยชน์ตลอดเวลานะคะพระเจ้าาวัตของพระองค์ผมเข้าใจว่าเป็นที่ทราบั้วยแลว้วเรียกกว่าทราบคือทราบซึ้งนะก็ดีว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทําไว้เนี่ยไม่มีข้อสงสัยนะในความดีงามด้วยในความเป็นมหาบุรุษของพระองค์ใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือ ประชาชนคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาตินะครับที่มาแท้ซ้องสรรเสริญนะมาแสดงออกด้วยการตั้งริ้วขบวนมาทำพิธีอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. ก็ดูดีนะพิ่ศรนนทแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีมุมมองที่จะเรียกว่าละเอียดอ่อนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมองด้านในมากขึ้นนะครับพิ่ศรี น, นาท เพราะว่าบางทีเรามองหรือว่าทำแบบฉาบฉวยคือเรารักในหลวงเนี่ยเราก็พอถึงเวลาเขามีการปีค้องร้องเปล่าว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ในหลวงของราชครบรอบ60ปีเรามาเฉลิมฉลองกันเถอะเปล่าขวัญถึงความดีของในหลวงกันเถอะถ้าเรารักในหลวงจริงเนี่ยเราคิดว่าการทําแค่นี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะพอเพราะว่า ถ้าเราทําแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวผ่านหกสิบปีไปเนี่ยทุกอย่างก็จะเงียบหายไปค่ะใช่ไหมทุกอย่างก็จะเงียบหายไปแล้วทํายังไงดีล่ะคะที่ให้เรื่องราวการเฉลิมฉลองสิ่งที่พิเศษสุดในคราวนี้นะค ะ, คะจะไม่เป็นแค่เพียงไฟไม่ฟงังที่เดี๋ยวพอผ่านเลยไปละใครๆก็ลืมฮะก็คือว่าจริงๆแล้วผมมีความเข้าใจว่าพระ อ, องค์เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกๆด้าน ค่ะการตอบแทนหรือว่าการระลึกถึงความดีงามของท่านเนี่ยผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไงที่จะทำตามที่พระองค์ได้ทาเป็นตัวอย่างให้กับเราฮะคะเหมือนกับที่พระพุทธองค์ให้กล่าวไว้ว่าการบูชาท่านเนี่ยถ้าเป็นการบูชาท่านด้วยของหมอมดอกไม้ทูกเทียนเครื่องสักการะซึ่ง คือว่าเป็นลักษณะของที่เรียกว่าเป็นมิตรบูชาเนี่ยะการบูชาด้วยข้าวของเครื่องใช้หรือว่าข้าวตอกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะผู้องก็ยังไม่สรนเสริญนะเท่ากับการปฏิบัติบูชาแล้วเราจะปฏิบัติบูชายังไงล่ะคะถึงจะเรียกว่ารักในหลวงจริงๆนะคะก็มีหลายอย่างนะครับที่พี่แนะนำสักหน่อยะคะ่ะที่พี่องเน้นยำ้ำนะหรือว่าพูดถึงเช่นเรื่องของการ เป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นอ๋อ oh, <okay. S 2> ค่นะใช่ไหมฮะถ้าเรามีความซาบซึ้งหรือมีความรักนะมีความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้จับชี้แนะแนวทางไว้นอกจากจับชี้แนะแนวทางไว้เนี่ยท่านเองก็เรียกว่าทําตัวเป็นตัวอย่างด้วยนะคือการเป็นอยู่อย่างประหยัดค่ะ <Okay. S 2> นะครับนี้ถ้าเกิดเราเทิดทูนท่านเนี่ยสิ่งที่เราพวกเราต้องทําเนี่ยก็คือ ทำตัวอยู่หรือว่าเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามที่ท่านชีนน้แนะหรือวปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้เราด้วยไม่ใช่ว่าเราออกมาใส่เสื้อสีเหลืองออกมาเดินขบวนกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราเรารักในหลวงอะไรอย่างนี้น ะ, ะผมว่ามันเป็นเปลือกเกินไปแค่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยแลวจะบอกว่ารักในหลวงเนี่ยยังไม่จริงใช่ไหมคะมันก็จริงแบบเทีมเียมนะ เพราะในทัศนคของพุทธศาสนาเนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดค่ะเราอาจจะไม่ต้องแสดงออกเราอาจจะใส่เสื้อสีดําก็ยังได้อืมแนวเสื้อสีดําเสื้อสีแดงหรืออะไรสีอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีจิตใจที่เราทําตามที่ผู้หลวงได้สอนไว้เช่นเรามีความประหยัดแต่มีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความกตัญญูกตาเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในประเด็นเหล่านี้ค่ะ นั้นถ้าเราทําตามที่ท่านทําเป็นตัวอย่างให้กับเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราทดแทนหรือว่าเราจะบอกว่าเราเทิดทูนท่านหรือเปล่าผมว่าก็คงไม่จําเป็นนะแต่ว่าตัวปฏิบัติของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องบูชาบุญคุณของท่านหรือว่าแม้แต่มีการปฏิบัติทำเฉลิมพระเกียรติอะไรต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็จะมีมีการบวชเฉลิมพระเกียรติการบวชมีการปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่ใช่ไฟไม่ฝางถ้าเรามีความซาบซึ้งในบุญคุณของท่านจริงเนี่ยผมคิดว่าเราต้องน้อมนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาใช้เป็นวิถีทางในการดาเ น, นินชีวิตของเราเลยเดียนั่นหมายความว่ า, วามันต้องเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันไปนะเป็นเรื่องสืบเนื่องกันไปมีตัวอย่างเยอะเลยนะพี่เสีนะที่ผมเคยพบเคยเห็นที่เราศรัทธาหรือว่าเทิดทูน แล้วมีเป้าหมายที่ผิดพลาดไปค่ะนะเช่นว่าเราเคารพ บ, บูชาของพระสุปฏิปันโนรูปลายรูปหนึ่งแล้วเราก็ไปเคารพทุดทูลท่านแต่เครื่องรางของขังนะหรือว่าสิ่งที่ท่านแจ ก, กสิ่งที่ท่านให้แต่ตัวปฏิบัติกว่าที่จะทําให้มาเป็นท่านได้เนะี่ยเช่นเรื่องของการที่ต้องเป็นพระที่ดีรักษาศีลนะเจริญสติจเจริญสมาธิภาวนาต่างๆ่างเนะี่ย ซึ่งเป็นจุดที่สร้างท่านขึ้นมาให้เราได้รู้จักเนี่ยเรากลับไม่ทำเรากลับไปหลงอีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่เป็นเปลือกนั่นผมมองว่าในเวลาที่เป็นมงคลอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลอกงามยามดีของคนไทยที่อาจจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาจากกระแสของของความหลงผิดเลือ ก, กระแสของโลกาภิวัตที่ ถ้าเป็นไปอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศชาติของเราก็คงหาความเจริญที่เรียกว่ายั่งยืนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายึดถือพระราชดําลัดยึดถือจริยาวัดยึดถือการกระทําที่ผู้นําสูงสุดของแผ่นดินเนี่ยได้ทําเป็นตัวอย่างให้กับเราค่ะไม่ว่าจะเรื่องของการเป็นผู้มีศีลมีธรรมทศพิทราชธรรมการเป็นอยู่อย่างประหยัดมัธยัติการเป็นอยู่อย่างพอเพียงความกตันยูกระตเวที โอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะพี่เจน่ะผมว่าเรามีซูเปอร์มูเดลที่ดีที่สุดในโลกอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมถือว่าพวกเราให้โชคดีมีองค์การระดับโลกนะฮะสาประชาชาติใช่ไหมฮะแค่แต่วายเกียรติกับพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาของมนุษย์หรือว่าประเทศก็ว่าไนดะ้บางที ผมก็ยังคุยกันและเล่นว่าเอ๊ะรางวัล น, นี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะภูมิใจหรือว่าจะจะรู้สึกว่าหน้าแตกดียังไงคะก็คือนี่ขนาดเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกอยู่อย่างนี้นะฮะพระองค์มีพระอัจฉริยาภาพมีจริยาวัดที่เป็นตัวอย่างของเราอยู่เลยน ะ, ะประเทศไทยเรายังพัฒนาไปได้แค่นี้เองนะฮะค่ะ ไม่รู้ว่าจะภูมิใจหรือจะหน้าแตกดีนะพี่สีนะเหพราะในขนาดเรามีคน่เก่งที่สุดในโลกนะมีพสมานศัตรูที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยนะโอ้นี่ถ้าไม่มีพระองค์นี่สงสัยจะจะเหลืออะไรจะเหลืออะไรเลยไม่รู้ว่าอย่างที่บอกว่าไม่รู้จะหน้าแตกดีหรือว่าไม่รู้จะภูมิใจดีค่ะกต่คุณหมอคะมีอยู่มุมหนึ่งที่ขอแลกเปลี่ยนนะคะครับนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งนะคะแม้นว่าเรามีของดีดังเพชรแก้วมณีมีค่าอยู่ในมือ แต่บางครั้งเนี่ยขณะที่เราครอบครองไว้เนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าแต่เราจะมารู้ค่าเมื่อเราเสียสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว บ, บ่อยครั้งที่เดียวที่มนุษย์เป็นอันมากเป็นอย่างนี้นะคะคุณหมอครับก็ไม่อยากให้คนไทยต้องเป็นอย่างนั้นนะคะครับและโดยเฉพาะเรามีสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรแล้วก็แก้มณีใดๆอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราควรจะให้พระองค์ท่านได้รับทราบจริงๆ เมื่ออย่างที่ท่านยังรับทราบได้นะค ะ, ะว่าเราเนี่ยนะเป็นลูกนะที่ดีแล้วก็กระตันยูต่อท่านขนาดไหนไม่ต้องรอให้ท่านจากไปก่อนแล้วค่อยมาแสดงก็ได้นะค ะ, คะแล้วการแสดงก็ต้องไม่ฉาบฉวยจะต้องยั่งยืนแล้วก็จริงจังครับน้อมเข้ามาใส่กล้าวใส่ขมมอมนะก็คือ นำมาปฏิบัติอย่างเรียกว่าจริงๆความสาคัญของหรือว่าเห็นสาระที่แท้จริงของสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้นะเพราะว่าถ้าเราโหนแต่กระแสเราถือแต่ว่าละว่าโอ้ครบรอบหกสิบปีเราก็จะได้แต่เปลือกนะครับเราจะได้แต่เปลือกแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นสาระที่แท้จริงที่องค์ประทานไว้เนี่ยก็คือเมื่อนามาทาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นทาให้เกิดความสุข แม้แต่ตัวเราเองเป็นเบื้องต้นครอบครัวสังคมประเทศชาติผมว่าน่าจะเป็นวาระที่ดีนะที่เป็นมงคลอย่างแท้จริงคี่โปร่งได้ครองราชมาครบรอบกสิบปีนะครับทจริงใจริงเนี่ยอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราเนี่ยมาเอ็กซเรย์นะคะคุณหมอครับไม่ใช่ไปเอ็กซเรย์ปอดตับนะคะแต่เอ็กซเรย์ใจของเรานะคะ ว่ามีอะไรที่เราเนี่ยยังวางใจหรือวางแนวทางของชีวิตเอาไว้ไม่ถูกตรงตามคำสอนหรือว่าตามที่ท่านนำเป็นตัวอย่างทำให้เราดูนะคะครับแล้วก็เดินตามรอยพ่อของเราให้ถูกรอยตรงรอยกันดีกว่าไหมคะจริงๆผมว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยว่ไว่าม่หลายคนอาจจะมากด้วยในสังคมนี้เนี่ยค่ะที่ยังสับสนกับการว่าเป็นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรเนี่ยนะผมว่าอาจจะยังสับสนกันอยู่นะคะ่นี่ถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินตามมันก็อย่างรมากก็คือว่าเรามีแบบอย่างที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในประเทศของเราอยู่แล้วเนี่ยซึ่งทุกคนก็ยอมรับนะคะแต่ยังไม่ค่อยยอมเดินตามกันอย่างจริงจังค่ะถ้าเราเห็นว่าเราไม่ต้องคิดเองก็ได้ว่าเอะเราจะมีชีวิตอย่างไงอยู่เพื่ออะไรถ้าอยู่เพื่ออะไรหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าเอาแบบอย่างที่พระองค์ ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะก็น่าจะได้นะโอ้ไม่ใช่น่าจะได้แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าแบบอย่างที่ได้ทําไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าเราสามารถที่จะสืบหาค้นหาค่ะได้อย่างเยอะแยะมากมายจากสื่อต่างๆที่กําลังทําอยู่ดังนั้นถ้าเรายังสับสนอยู่ไว้ เ, เราจะเป็นอยู่ยังไงจึงจะเป็นยอดของบุรุษเนี่ยเราก็เอาแบบอย่างที่พระองค์ที่ทําไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยทําตามก็ได้ไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องวางแผนด้วยแค่นี้พระองค์อถือศีลแปดทุกวันพระอย่างเงี้ยค่ะพระองค์ไปทานข้าวกับสำเร็จย่าอย่างเงี้ยนะฮะตอนข้าวให้เลือกอาหารให้เขียนลดให้ใหเขียนลดด้วย น, นะค่ะหรว่ากอดอย่างเงี้ยนะเนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยฮนะเราทําไปเลยครเพราะว่าถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีสุดแล้วพอเราทําตามเนี่ยเอ๊เราก็ต้องสังเกตว่าสิ่งดีดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหม ใช่ไเราถือศีลมีศีล ม, มีธรรมเรามีความกตัญญูเรามีความประหยัดเนี่ยชีวิตของเรามันสงบเย็นขึ้นไหมเนี่ยเราสามารถที่จะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทํานําร่องไว้ค่ะงั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องนำศรัทธาพราะองค์เนี่ยพระองค์ทํำยังไงโอ้ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าทำไปมันจะได้หรื อ, อไไดเดยลองลองะะทําดูเลยค่ะนะดีค่ะเห็นดีด้วยแต่ถ้าเรามีปัญญาแทงทะลุตลอด ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเป็นตัวอย่างไว้กับเราเนี่ยก็ยิ่งดีนะยิ่งมีประโยชน์ผลสุดท้ายที่เราจะได้รับ ก, ก็คือความสุขนะความสงบเย็นในชีวิต ค, ความเร่าร้อนความทุกข์ก็จะน้อยลงแต่ผมว่าน่าจะเป็นการตอบแทนคุณคุณที่ s ustainable ย, ยั่งยืนแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีบูรณาการที่แท้จริง